เดี๋ยวจะไปชี้ประเด็นให้ดูว่าศีลเป็นสารณะอย่างไรสมาธิเป็นสารณะอย่างไรปัญญาเป็นสารณะอย่างไรเพรก็คือคือในข้อปฏิบัติที่บอกว่าเดินทำไมนั่งทำไมยืนทำไมและนอนทำไมอะไรก็แล้วแต่นี้คำคำนี้เป็นคำที่เป็นคำที่ใช้กันมายุคหลังไม่ใช่อยู่ในยุคของในชั้นของคำพีนะไม่ไม่ไม่มีอยู่ในชั้นของคาสอง แต่ว่าถ้าพิจารณาดูตอนนี้ขนาดนี้ก็คงจะเห็นว่าผู้ที่นำมากล่าวตรงนี้ก็ต้องอยู่ที่ผู้กล่าวเองเนี่ยถ้าเราจะเดา ก, ก็เป็นเรื่องเนี่ยถ้าจะเดาเอย่างเราเราก็คงจะคงจะต้องการให้มีสติในการที่จะได้ไม่ไม่ไปคิดเรื่องอื่นก็ได้พยายามคิดว่าเออถามตัวเองบ่อยๆว่าเดินทาไมเนี่ยเดินทำไมเนี่ ย, ยอะไรอเ้ยที่จริงคำเหล่านี้ เราก็เคยใช้กับลูกใช่ไหมเช่นลูกเขาสเปรดสปานี่เดินทำไมรู้ตัวไหมรู้ตัวั้มใช้กับหลานแล้วก็เคยบอกที่ประเด็นมันอยู่ตรงว่าคือคือต้องเข้าใจว่าสภาพสังคมในปัจจุบันนะคือการเข้าถึงคำสอนเนี่ยเริ่มน้อยลงวันวันหนึ่งเนี่ยเราก็มาวุ่นกับชีวิตข้างนอกกันเยอะแต่พอมีคนมากระตกคิดบอกเออ ให้มาถามตัวเองดีว่าเดินทำไมยืนทำไมนั่งทำไมนอนมามันรู้สึกจะมาอยู่ใกล้ตัวนิดนึงน่าจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะทีนี้ประเด็นต่อมาคือว่าเอ๊ะจะไม่รู้มีใครปฏิบัติแบบนี้บ้างไหมนี่บ้างอ๋อเดินทำไมปัจจุบนันอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว <laughs> <laughs> ที่เข้าใจไม่ใช่อะไรหรอกพอพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเคย เคยเคยเคยไปฟังมานึกออกทันทีเลยเมื่อประมาณสอง8ันนรอยี่แปดเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยเคยไปเคยไปไปถูกแนะนำแบบนี้มาคือที่จริงมาพยายามจะพูดที่ไม่กระทบอะไรใครเนี่ยนะแต่ต้องการอยากให้สืบคนมาในชั้นของคำสอนให้ชัดนะเออการกระทําต่างเหล่านี้ก็พยายามนะ ครูบาอาจารย์ต่างๆก็พยายามที่อยากจะหาอุบายวิธีเพื่อให้พวกเราได้เข้าถึงนะเพื่อจะได้เพื่อจะได้พ้ น, พนทุกข์เลยก็ว่ากันไปที่ประเด็นอยู่ว่าการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยในเบื้องต้นจริงๆเนี่ยมันอยู่ยากสมมุติว่ายอมเนี่ยนะนั่งอย่างนี้ยอมจะคำนวณในขณะที่นั่งบอกโอ๊ยไอ้รู ป, ปรขันเนี่ยรู ป, ปรกายมันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ใช่ไหม พอมันมีทุกรายงานขึ้นมาแบบเบียดเสร็จปั๊บก็ต้องเปลี่ยนแล้วมันจะคิดอย่างเงี้ยโอยต้องเปลี่ยนแล้วถ้าไม่เปลี่ยนมันทนไม่ได้ฉะนั้นเราไม่ได้เปลี่ยนเพราะความอยากเปลี่ยนนะแต่เปลี่ยนไปเพราะสภาพของรู ป, ปกายมันบีบคั้น <c oughs> ใช่ไหใช่ไหมล่ะเออเงี้ยมันก็เลยเป็นบริบทเหมือนว่าเออเรารับรู้เลยเอ้าเมื่อวานมาพูดใช้คาว่า ไม่ยึดมั่นอยู่บนความยึดมั่นหรือไม่ทั้งสังเกตตรงนี้คือคือมันเลยเป็นประโยควลีเด็ดเลยอ่ะในการที่จะกล่าวแบบเนี้ยทีนี้เหมือนเหมือนเราบอกว่าหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะพุทโทพุทโทเนี่ยเป็นพระ น, นามของพระเจ้าเนี่ยเราจะเอากรารมาฐานอนาณาปณะสติหรือเอาพุทธคุณกันแน่จะเอาพุทธคุณก็ไม่เชิงเนี่ยเพราะไม่ได้รู้ความหมายของคำว่าพุทธะ เพราะไม่ได้ไปเข้าใจรัตนะตรงนั้นพุทธรัตนะอย่างแท้จริงหรือจะเอาดูลมหายใจเข้าออกก็ยังมาคอยกังวลไงครับว่าพุทธโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็เลยสองกรรมฐานพุทธโธอยู่ในพุทธคุณอาณาปณะสติไปอยู่ในอาณาปณะสติกรรมฐานก็เลยถือกรรมฐานคนคนละสองกรรมฐานในขนาดเดียวกันเนี่ยนะอันนี้เข้าใจใช่ไหมเอออันนี้ก็กลับกลายเป็นเรื่องแปลกไหมหายใจเข้าพุทเคยทำไม่ยอม เคยทำไมไม่เคยเนะเนี่ยก็ก็หายใจเข้าพูดหาเจออกถูกแต่หลายๆคนบอกว่าทําแล้วจิตสงบก็ไม่ว่ากันแต่ประเด็นอยู่ตรงไหนประเด็นว่ายกตัวอย่างเช่นมนุษย์เราเนี่ยมันอยู่กับปัจจุบันไม่ได้ไงมันอยู่กับปัจจุบันไม่ได้จริงสมมุติยอมนั่งอยู่อย่างงี้เวลายามจะไปกินข้าวเนี่ยที่กินข้าวไม่ได้อยู่ตรงนี้นะมันต้องคิดไปในอนาคตเนี่ยด้วยข้อเท็จจริง คิดไปหาช้อนหาจานหาที่กินอาหารย่อมจะเข้าห้องน้ำเนี่ยย่อมต้องคิดออกไป อ, อนาคตอยู่เลยเนี่ยโดยข้อที่จริงเนี่ยต้องต้องต้องต้องต้องต้องเข้าใจความจริงของชีวิตก่อนว่าพุทธเจ้าสอนทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันนะแต่ yes, ว treated, 謝謝่าพุทธเจ้าสอนว่าเออจะมานสิการอย่างไรเมื่อคิดถึงอนาคตจะมานสิการวางท่าทีตั้งใจยังไงเมื่อคิดถึงอดีตแล้วมานสิกานยังไงเมื่อคิดถึงปัจจุบันในขณะที่เกิดขึ้น พระเจ้าสอนให้วางจิตให้ถูกในการฉลาดคิดในการระลึกถึงอดีตอนาคตและปัจจุบันแต่ถ้าไปบล็อกความคิดบอกว่าคุณต้องอยู่กับปัจจุบันนะถึงจะชัดอันนี้โดยข้อเท็จจริงมันทําได้ไหมเออมันทําไม่ได้ก็ต้องยอมรับความจริงตรงนี้เสีย ว, ว่ามันทําไม่ได้กันจริงหรอกเพราะธรรมชาติของจิตเนี่ยเราจะบังคับยาก มันจะเป็นไปได้ยังไงกรณีที่เราจะต้องเอยเราจะเดินลงข้างล่างแล้วมันต้องคิดถึงรองเท้าบ้างคิดถึงบันไดบ้างมันไปแล้วนะทั้งๆ ง, งที่เรายังไม่ได้เหยียบบันไดเลยนะตอนนั้นเราคิดถึงห้องน้ำปุ๊บเนี่ยจิตมันไปแล้วนะห้องน้ําอันนั้นเป็นอนาคตหมดเลยนะรู ป, ปากายของเรายังไปไม่ถึงเลยตอนนั้นแต่นามธรรมากือจิตใจแล้วมันวิ่งไปถึงแล้วเข้าใจตรงนี้ยังแต่พระเจ้ากลับมาสอนให้ตั้งท่าทีวางจิตอย่างไรที่จะคิดถึงอนาคตโดยไม่ให้กิเลสกุมรูม คิดถึง อ, อดีตยังไงที่จะไม่ให้กิเลสกุ้มรุมและมนัสิการปัจจุบันอย่างไรที่จะทาให้กิเลสไม่กุ้มรุมมันไม่ใช่อยู่ว่าต้องปัจจุบันต้องปัจจุบันหรือต้องอดีตต้องอดีตหรือต้องอนาคตแต่มันอยู่ตรงที่ว่าป้องกันไม่ให้ราคาโทสะโมหะมันกุ้มรุมในขณะที่กำลังมนัสิการถึงสิ่งนั้นอยู่มันไม่ใช่อยู่ที่รูปแบบ แต่มันอยู่ที่ความเข้าใจที่ไม่ให้ราคาโทสะโมหะเข้ามาแทรกในใจแล้วจะคิดถึงอนาคตยังไงก็ไม่เป็นไรแล้วถ้ากิเลสไม่แทรกใจแล้วมันก็เป็นไปเพื่อการขัดเกลาทั้งนั้นแหละเพราะตอนนั้นเป็นการละราคาละโทสะละโมหะเพราจะมองเห็นนะก็ได้ <c oughs> คืออย่างนี้งั้นฟังอีกนิดนึงนะเจะได้ชัดเออยังไม่ได้ถึงตรงนั้นไงประเด็นมันอยู่ว่า ในขณะที่จะอาบน้ําเมื่อกี้ยกอ่านอาบน้ำเนี่ยในขณะที่จะอาบน้ําเนี่ยถามว่าประเด็นตอนนั้นเราคิดถึงตัวกุศลศีลได้ไหมถามว่าในห้องน้ําเนี่ยจะต้องมีมดมีมแมลงใช่ไหมแล้วเราก็มานสิกานถึงว่าการอาบน้ําของเราเนี่ยจะไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายเจตนาทั้งหลายที่คิดไปด้วยการงดเว้นจากบาปอากุศลธรรมลามก จิที่คิดจะฆ่าไม่ให้เกิดขึ้นเป็นต้นที่เกิดขึ้นในขณนะนั้นและในขณะเดียวกันก็ทําใจให้ผ่องใสในการอา่านถามว่าตอนนี้คิดได้ไหมแบบเนี้ยได้ไม่ได้คิดอย่างนี้ในขณะที่คิดถึงตัวกุศลศีลตัวกุศลศีลเป็นหนึ่งในสาระไหมสาระข้อไหนอย่างไงทำมังสรารนังกฉามิตอนนี้กําลังเข้าถึงทำมังสรารนังกฉามิตอนนี้ชื่อว่าการปฏิบัติกําลังดำเนินไปหรือยัง การกำลังเข้าถึงธรรมะหรื อ, อยังเท่าถึงสาสนาคือธรรมะหรื อ, อยังการรังเข้าถึงเพื่อเอามาเกิดขึ้นในกระแสะชีวิตจริงๆถามตรงนี้ยงไงเข้าใจอว่ามันเข้าถึงโดยการจิตถอยออกจากบาปจริงๆจิตปล่อยวางจากบาปจริงๆไม่น้อมที่จะเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายและในขณะเดียวกันยังปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขปราศจากทุกข์มีใจเบิกบานในพ้นจากอันตรายทั้งหลายเถิด คิดอย่างนี้แล้วก็อาบน้ำไปอย่างนี้ตอนนี้ถามว่าสารณะเริ่มผ่องใสในใจหรือยังก็อันเดียวกันนั่นแหละถามว่าการคิดถึงสารณคมเนี่ยเขาคิดได้เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีไม่มีเสียหายแล้วสารณะมีแค่ศีลข้อนี้ข้ อ, ข อ, ขอเดียวไหมมีข้ออื่นอีกไหมเห็นไหมถามว่าในขณะที่เราใจเราเป็นไปกับเมตตาสามารถเจริญคุณธรรมคือเมตตาให้กว้างใหญ่ไพศาลได้ไหม เอาแล้วนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใชทำมังสางรนังก็ะาบอย่นี้อันนี้ก็คือการพยายามจะเข้าถึงท่าธรรมนะพยายามจะเข้าถึงพระธรรมเนี่ยพอจะเริ่มมองเห็นหรือยางก็ อ, อยู่กับความจริงของชีวิตเนี่ยแล้วก็เข้าถึงสภาวะธรรมทีนี้เพราะเออมันอยู่ว่าเราไปถูกกาหนดว่าเฮ้ยถ้าคิดอย่างนี้มันเป็นกรรมฐานชั้นต่ำต้อยมั่งมันไม่มันไม่คิดเนี่ยมันไม่ติดตลาดเนี่ยเชอย่างนี้เลยว่า เ, เราดูสภาพใจได้นะถ้าพุ่งมันพุ่งจริงๆเลยนะต่อคิดประธรรมก็พุ่งเนีต่อให้การปฏิบัติเนี่ยเห็นเป็นรูปรูปเป็นนามยังก็จะพุ่งนะประเด็นมันอยู่ตรงว่าสภาพใจเน่ะเยือกเย็นสงบผ่องใสเป็นไปกับเมตตาธรรมจริงๆไหมอันนี้ยกหนึ่งตัวอย่างแต่มีเยอะหมดนะอันนี้ยกเพียงหนึ่งตัวอย่างนะความชํานาญนั้นอยู่ที่การฝึกฝนอยู่ที่การที่จะต้องเข้าไปถึงให้ได้ในขณะนั้นก็คือจิตได้สัมผัสสภาพของความเป็น เมตตาบ้างเป็นกรุณาบ้างเป็นมุทิตาหรือเป็นอุเอขาในขณะนั้นแปลว่าสภาพใจนั้นกําลังลิ้มรสพระธรรมอยู่ไหมเมื่อเกิดเมตตาเกิดความคิดไม่คิดอยากเห็นตัวกุศลศีลในตนแล้วก็งดเว้นบาปได้จริงตอนนั้นความเชื่อมั่นในพระธรรมจะเพิ่มขึ้นไหมความเชื่อมั่นก็เพิ่มขึ้นว่ากุศลศีลดีแท้นําพากระแสชีวิตของตนเองไม่ให้ประมาทแม้ขณะอาดนาะอาบน้ําก็ไป ม, ไม่มัวเพิดเพลินยินดี ในการที่สีเสียงกิ่นรสทั้งหลายที่มาสัมผัสรูปกายของเราเป็นต้นไม่มัวไปเพลิดเพลินด้วยอำนาจของกิเลสไม่มัวมาชื่นชมกระราชกายที่เน่าเปื่อยเต็มไปด้วยของไม่สะอาดนี้ผมขนและปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกทั้งหลายเหล่านี้ยเราต้องชําระสาสางอยู่ตลอดเวลาเลยเต็มไปด้วยของไม่สะอาดคนพานทั้งหลายพากันชื่นชมยิ่งนะโดยเฉพาะหมูหนอนทั้งหลายชอบที่จะชื่นชมยิ่งนะ พอพิจารณาอย่างนี้เป็นเสร็จเห็นความไม่งานของไม่งามของรูปกายในขณะนั้นตอนนี้ถือว่าเข้าถึงว่าธรรมได้ระดับหนึ่งหรือยังเป็นสารณะไหมนี่เห็นไหมเนี่ยก็สารณะนั่นแหละก็สารณะนั่นแหละยอมสํารวยว่าอย่างไงใช่ไหมเออใช่ที่มาพูดเนี่ยพระไม่มีเหตุผลที่จะต้องเอาสิ่งอื่นมาบอกนะต้องเอาพระธรรมคำสอนของพระเจ้าเท่านั้นแหละมาบอกทีนี้สารณะเนี่ย พุทธัทงธรนังขะฉามิธรรมังธรนังกะฉา ม, า ม, ามีสังขังธรนังกะฉามิเนี่ยมันอยู่ไกลเราอยู่แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งน้อมเข้ามาในตนเห็นตัวกุศลราศีเห็นศรัท ธ, ธาในตนแต่ว่าตอนนั้นการขยับเข้าใกล้สันนคมและได้สัมผัสสรนนาเริ่มชัดขึ้นไหมเริ่มชัดขึ้นนี่ไงการปฏิบัติเป็นอย่างนี้ถามว่าถ้าศรัท ธ, ธาเกิดขึ้น ตัวศรัทธาใช่สารณะไหมเชื่อมั่นในพระรัตนตรยัยความไม่มีศรัทธาใช่สารณะไหมไม่ใช่เห็นไหมถ้าความเพียรเกิดขึ้นประคับประคองใจเป็นใจอกุศลตอนนี้เริ่มถึงสารณะเริ่มปรากฏในใจอยังความเกลียดค้านอากุศลทั้งหลายจะเป็นความเกลียดค้านทั้งหลายเนี่ยอันนี้เป็นสารณะไหมเห็นไหมเนี่ยอันนี้แหละเป็นตัวสารณะจะต้องไปเบียดเบียน สระนาจะต้องไปทำลายพุทธังธรรมังทังทา ง, งสารณังกระฉานี้จะต้องไปเบียดเบียนความไม่มีศรัทธาทิ้งไปจะต้องไปกำจัดความไม่มีศรัทธากำจัดความเกียดค้านกำจัดความหลงลืมสติกำจัดความพุ่งสร้างและวกำจัดความมืดบอดของจิตให้หมดไปจากกระแสชีวิตของเราให้ได้อันนี้การเพื่อจะพยายามศึกษาและปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสรณะใช่ไหมเริ่มจะเห็นไหมยังฉะนั้นสรณะเริ่มอยู่ใกล้ตัวหรือยัง เริ่มอยู่ใกล้แล้วนะถ้ามีสาระอยู่ในกระแสความคิดอย่างนี้เราจะกลัวอะไรไหมยกเว้นอะไรยกเว้นงูเห่า <c oughs> เห็นไหมว่าสาระเนี่ยการเข้าถึงสาระก็คือการกระตุ้นปลุกเร้าให้จิตใจของตวเองนั้นเข้าถึงคำสอนเนีชัดแล้วจะมีความสุขนะ <c oughs> เอายากไหมคือสังขาเนี่ยเป็นเครื่องกำจัดภัยเพราะอัตว่า ทำสการะเนี่ยย่อมเบียดเบียนกาจัดนำออกซึ่งภัยคือความกลัวของสัตว์ทั้งหลายด้วยการให้สัตว์ทั้งหลายได้เฉพาะซึ่งผลอันภัยบุญเวลาเราบูชาเนี่ยเอางี้นะว่า เ, เหตุผลคือที่เราได้เอาเอ า, เอาภายนอกก่อนเนาะเรามีวัตถุเนี่น้ำเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าสงเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐเมื่อวานก่อนพูดคาว่าตัวแทนเนาะ สังฆาเนี่ยคำว่าตัวแทนหรือหรือเป็นเมย์ถ้าพูดถึงตัวแทนต้องใช้คําว่าต้องใช้คําว่าหนึ่งหนึ่งองค์เนี่ยเรามองว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นแทนของสังฆสังฆาทั่วสังฆมณฑนไอความรู้สึกตรงนี้ความตระหนักในหมู่สงฆ์จะชัดความตระหนักในหมู่สงฆ์จะชัด อันนี้น้อมถึงคุณน้อมถึงคุณสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยสุปฏิปันโนภะกวะโตสาวกขสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีปุชุปฏิบันโนภะกวัโตสาวกสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติตรงปฏิบัติดีนะคือการปฏิบัติตามมัชิมาปฏิบัติทานนั่งเรียกว่าดีนะปฏิบัติตรงหมายถึงตรงต่อพระนิพพานนะไม่ใช่ตรงไปยังที่อื่นนะคำว่าปฏิบัติ เพื่อรู้ทำเป็นเครื่องออกจากทุกข์ก็คือปฏิบัติเพื่อขจัดชาติทุกข์ชร า, าทุกข์ขจักราคาโทสามโมหันนะออกจากใจนะั้นเรียกว่าปฏิบัติปฏิบัติเพื่อรู้ทำเป็นเครื่องออกจากทุกข์ให้สังเกตว่านะปฏิบัติเพื่อจะเข้าถึงพระธรรมเพื่อจะนําตนเองให้ออกจากวัฏจุกุตุภปฏิบัติอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติสมควรนั่นแหละคือสองสาวกของพระพุทธมีพระเจ้าเนี่ยอันนี้บ่งบอกถึงตัวคุณธรรมนะ คุณธรรมที่เกี่ยวกับในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาหรือศรัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญาไปประชุมอยู่ในกระแสชีวิตของท่านผู้ใดที่อยู่ในชั้นของการกําลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องสแสดงให้เห็นชัดว่ากระแสชีวิตของท่านดูนั้นเพื่อจะพัฒนาไปสู่ความเป็นหมู่สงใช่ไหมทีนี้เอาดูพวกเราก่อนทําไมเราจึงเพียรพยายามในการประพฤติปฏิบัติขัดเกลายอม้อํารวยเพราะอะไรเราต้องการจะเป็นอะไรเนี่ย คนถ้าไม่เป็นสังฆะเนี่ยไม่เป็นอริยสงฆ์จะพ้นทุกได้ไหมได้ไหมไม่ได้คนต้องเป็นอริยสงฆ์ถึงจะสามารถพ้นทุกได้ใช่ไหมละ่ะเราเป็นอริยสงฆ์หรือยังตอนนี้เราเป็นปุถุชนฉะนั้นความเป็นปุถุชนเนี่ยเป็นความมืดบอดเป็นความหนานแน่นโดยราคะโทสะโมหะจึงต้องเพียรพยายามในการขัดเกลาตัวเองจากปุถุชนเพื่อความเป็นอริยสงฆ์ อริยสงฆ์นี่ใช่หนึ่งในสารณคมไหมหนึ่งในสารณคมทีนี้วันหนึ่งวันหนึ่งเราได้คิดอย่างนี้ตลอดเวลาไหมว่าเราจะต้องพัฒนาตัวเราเองให้เป็นอริยสงฆ์ได้ได้คิดมาตลอดไหมหรือแค่อยากจะพ้นทุกข์เพราะอยากจะพ้นทุกข์ต้องระวังนะมันมีการพ้นทุกข์หลายแบบนะแต่เราต้องบอกว่าเราจัพัฒนากระแส ชีวิตของเราจากตนเองจากบุตรชนเข้าสู่ความเป็นอริยชนเพื่อความพ้นทุกข์เราไม่ต้องการพ้นทุกข์แบบสัตว์ลัที่อื่นนะงั้นต้องตั้งหลักตัวเองให้ชัดว่าเราจะต้องเป็นหนึ่งในสารณะให้ได้นะคิดอย่างนี้ไปเออถ้าคิดอย่างนี้ไปว่าเ้ามุ่งตรงแล้วแล้ ว, แ ล, วแล้วตรงทางทีนี้ประเด็นก็คือว่าที่ทางดาตดาถามมาถามว่า เอจอจกสงเนี่ยเป็นสาธรณะได้อย่างไรสังฆาเนี่ยเป็นสารณะได้อย่างไรเบื้องต้นก็คือว่าสังฆาเนี่ยด้วยการที่ทำสการะแม้น้อยนิดเนี่ยที่คนที่เข้าถึงสาธรณะระดับเข้าใจนะเข้าใจแล้วจะเอาเครื่องสการะแม้น้อยนิดไปสการะไปบูชาเนี่ยมีผลอันไพบูนอายกตัวอย่างเช่นอายกตัวอย่างเช่นอดีตของพระเจ้ามหาสุทัศนะซึ่งเป็นอุบาสก ตอนนั้นท่านเป็นข้าราชบดีท่านเข้าไปในป่าไปตัดไม้ทําธุระเนี่ยแล้วไปเจอพระเทล่รูปหนึ่งรูปเดียวนะพอไปเห็นปุ๊บท่านก็คิดข้งท่านทันทีว่าเออเราจะได้บูชาสง์สาวกของพระพุทธเจ้าท่านก็ไปตัดไม้จัดทําบรรณศาลาสร้างกุฏิถว า, ายด้วยสร้างบรรณศาลาด้วยท่านก็ทําหมนไหมในขณะที่ท่านทําท่านบูชาเลยบูชาสงศ์ ศาลาหนึ่งหลังวุ้ยทำ ม, มาเบีเสร็จแล้วก็นิ่มนมดให้ท่านใช้สอยเมื่อให้ศาลาเสนาสนะเบีเสร็จแล้วต่อมากิจกรรมในการถวายบาตรถวายจิวรก็ตามมาอีเยอะแล้วก็มาท่านก็ขุดสะถวายอีกหนึ่งสะแล้วเกลียทําที่จองกรมให้ประมาณหกสิบสองเนี่ยทําที่จองกรมให้ความยาวนี่เนี่ยให้พระเถระแล้วท่านก็อุปถากพระเถระอยู่อย่างนั้นจนตลอดชีวิตจนอายุขไข แต่ท่านมีข้อมูลในความเข้าใจในการเข้าถึงสาระท่านคิดว่านี้คือเป็นเนื้อนาบุญของท่านอย่างเลศิศอย่างประเสรศิฐผลปรากฏท่าเห็นชัดไหมว่าจากศาลาหนึ่งหลังเล็กๆถวายแด่พระเถรลาหนึ่งองค์เนี่ยนะแต่ท่านน้อมเป็นเนท่านคิดเป็นระลึกเป็นต่อมาอีกชาติหนึ่งท่านได้เป็นพระเจ้ามหาจากักรพรรดิมีเมืองขึ้นแปดหมื่นสี่พันเมืองจากศาลาหนึ่งหลัง มีผลใดบุญไหมเราก็ทํามานะแต่ทําไมมันไม่ไปบุญเดี๋ยวดูนี่คือความต่างของเจตนานี่คือความต่างของความเข้าใจนี่คือความต่า ง, งการนอบน้อมและเวลาท่านถวายบาตรถวายจีวรถวายอัฐบริขารเบเซตแต่ความที่ท่านน้อมเป็นท่านมองเห็นว่าเป็นเนื้อนาบุญท่านจึงหวานเจตนาลงอย่างมาโหราอย่างมหาศาลกุศลเจตนาในใจท่านหว่านเป็นชัว่วโมงหวานเป็นวัน สามารถเอาระลึกมาหวานได้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงสามารถที่จะจิตเป็นสมาธิได้ในการระลึกจากขานุสติเป็ตนต้นต่อมาผลที่ไปบุญเกิดขึ้นกับท่านเน่ยเยอะหมดเลยสระแปดหมืนสี่พันสรก็เกิดขึ้นกับท่านในยุคที่เป็นพระเจ้าหมหาสุทัศนะทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือบรลลังก์สร้างเตียงอนะ่ะหนึ่งเตียงถวายเนะี่ยต่อมามีบรลลังกนะ์อ่ะแปดหมืนสี่พันบัลลังก์แล้วยังมีวิหะไอเกี่ยวกันในเรื่องของ นางสนมมีแปดหมื่นสี่พันนางพร้อมด้วยนาง mm hmm. สุภาทาทัทเทวีเป็นประธานเห็น ไ, ไหมกองชัพกองทัพช้างกองทัพม้า ก, ก็มีอย่างละแปดหมื่นสี่พันเป็นต้นจนถึงผ้าผ้าเนี่ยต้องใช้วันละแปดหมื่นสี่พันโกดทัพสำรับอาหารวันละแปดหมื่นสี่พันสำรับทำไมมากมายขนาดนั้นอันนี่ดูดูผลแค่เป็นรู ป, ปรธรรมก่อนนะ แต่ด้วยอัธยาศัยที่ตั้งไว้เพื่อเป็นปัจจัยแก่การได้มาซึ่งสำพลมาสำพธิยาณและเพื่อความพ้นทุกข์พอพระองค์เสวยราชาสมบัติอยู่ระยะหนึ่งเนี่ยพออายุได้แปดหมื่นสะี่พันเนี่ยนะใยุคนั้นเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วท่านท่านบอกพอแล้วท่านล้าได้ทันทีอย่างเราเนี่ยพ อ, พอทังพอได้ปากเนะียพราะเราไม่เคยให้แบบขาดจริงนี่พอด้วยการที่ตั้งอัธยาศัยท่านก็บอกเออเมืองขึ้นแปดหมื่นสี่พันเมืองใช้จริงๆก็เมืองเดียวคือกุสาวดี เห็นไหมว่าช้างแปดหมื่นสี่พันเชือกใช้ใช้ก็ใช้แค่เชือกเดียวมาแปดหมื่นสี่พันตัวก็เชือกตัวเดียวนี่บัลลังแปดหมื่นสี่พันบอลลังใช้จริงๆก็บอลลังเดียวอาหารแปดหมื่นสี่พันสำรับต่อวันกินจริงจริงก็คือสําหรับเดียวเริ่มเลยเริ่มหินความเบื่อหน่ายพิจารณาเบสเซ็นนางสนมแปดหมืนสี่พันนางใช้จริงๆก็คือนางเดียวคือนางสุภาพาถืที่เกี่ยวข้องจริงๆอิง เนี่ยเริ่มพิจารณาเห็นว่าเหมือนเด็กเล่นฝุ่นนะ น, นี่สังสารวัตเนี่เห็มไหมวาที่สุดจริงๆท่านก็ความที่ท่านถึงสารณาชัดเนี่ยพอต่อมาท่านมาพิจารณาดูเนี่ยน่ะเข้าน่ะเข้าแตกสลายหมดไม่มีอะไรเหลือสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้ตอนนั้นนะตอนสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาท่านพิจารณาเห็นเบ็ดเสร็จไ ม, ม่ต่างอะไรกับเด็กเล่นฝุ่นนะ เอาฝุ่นมามาปั้นมาปั้นเป็นรูปบ้านเอามาปั้นเป็นรูปรถเอามาปั้นเป็นรูปมา้ารูปช้างมาปั้นเป็นข่าทาสบริวารเบียเศจไอ้ฝุ่นที่กองกองกองกองันอยู่พอลมกระแทกนิดเดียวก็พังหมดแล้วไม่มีสาระเลยสังขารเหล่านี้ไม่เที่ยงพอพิจารณาเบียเศสท่านบอกพอกันทีกาเมาวิตตเห็นไหมท่านยับยั้งเลยอันนี้มาจากปัญญานะไม่เอาแล้วสาระมั่นคงกว่ามีที่พึ่งมากกว่าอันนี้เป็นผลของโลกิยะสาระคม ไม่ใช่เป็นผลของโลกุตตระสนานาคมเป็นผลของชั้นทานกุศลชั้นศีลกุศลและชั้นภาวนากุศลเล็กๆน้อยๆ ย, ยังมีผลไภบูุญขนาดนี้อยากข น, น้นเลยเราจะสละสิ่งเหล่านี้บําเพ็ญเนกธรรมะท่านต้องการได้สนานะที่ชัดเจนกว่านั้นสนานะชั้นทานชั้นศีลท่านบอกว่าถ้าอยู่ในระดับเหล่านี้ไม่ปลอดภัยชีวิตหลังตายเนี่ยเสี่ยงมากท่านก็พอกันทีกามาวิตก พอกันทีกะพ่อพยาบาทวิตกพอคันทีวิหิงสาวิตกพอแค่นี้อย่าตามเข้าไปเจ้ายมมาอีกนะถ้าทําได้ไหมอ่ะสมมุติเราจะเดินขึ้นมาบนจาบันไดเนี่ยแล้วก็หันหน้าไปบอกพอธีการวิตกอย่าตามเขาม้ามาอีกจะมาฟังทองมันมาไห ม, มก็วิ่งมาอีกเพราะเราไม่ได้พอจริงไงไอ้ที่ว่าพอเนี่ยแปลว่าท่านเห็นโทษไหมเห็นจริงจรงถ้าเรารู้ว่าคนค น, นี้เป็นโจรเราจะให้มาเข้าบ้านเราไหม โลภะตัวสามหาเป็นโจรไหมทําไมเราให้เข้ามาในกระแสยุทธิเราเพราะมันไม่เห็นใช่ไหมทีนั้นมิท้าไปโจรไหมแล้วให้มันเข้ามาทําไมเวลาฟังธรรมก็เป็นโจรมาเพื่อบรรทุสลายหรือมาประคับประคองส่งเสริมเข้ามาบรรทุสลายไอ้ความเห็นผิดเนี่ยเราไม่อยากจะได้นะย่ยสมสํารวยอยากได้ไม่ความเห็นผิดเนี่ยเอไม่อยากได้แต่มันทํำไมถึงมาเออใช่ถ้ามี ถ้ามีสาระสาระจะเบียดเบียนความมิ้นผิดออกไหมเอีเบียด er ออเบียนความมิ er ้นผิ ด, er ดออกเบียดเบียนควมาวมโลภออกเบียดเบียนความโกรธออกเบียดเบียนความมัวเมารุ่มหลงออกแล้วเบียดเบียนความทุกข์กายทุกข์ใจออกเบียดเบียน er ทุกขติให้ออกไปจากกระแสะชีวิตเราฉะนั้นการมีสาระนี่ยิ่งใหญ่ไหมเป็นทั้งหมดของชีวิตไหม <S <S เป็นทั้งหมดของชีวิตนะสาระเนี่ยเป็นทั้งหมดของชีวิตนะ เนี่ยที่ผ่านมาในสังสารวัตเพราะไม่ได้สญญารณะนี่แหละสัตว์โลกทั้งหลายจริงต้องทุกข์ทรมานกันทุกวคนเนี่ยต่อไปเราจะไม่ยอมทิ้งสญญารณะอีกแล้วสมาทานสิแต่ไม่ใช่ไปร้องอ้อนวอนร้องขอมาเถอะสญญารณะมาเข้ากระแสชีวิตเข้าไเจ้าสักทีเถอะแต่เราไม่มีข้อมูลที่จะอัญเชิญเข้ามาแบบถูกต้องเลยสญญารณะจะวิ่งโดดเข้ามาในกระแสญญชีวิตเราได้ไหมไม่ได้ลอกสวดมวนต์วนัวนละห้าร้อยครั้งได้ไหมโยมเอ๋มันก็ไม่ได้อีก สวดไปก็เครียดไปเมื่อไหร่นะจะพ้นทุกข์สุทีเนี่ยมันต้องรู้และเข้าใจไหมต้องรู้และเข้าใจจึงจะอัญเชิญมาได้ถ้าเราไม่รู้พระเจ้าประทับในที่ไหนแล้วจะไปนิมนต์ท่านมาที่บ้านเราได้ไหมไม่ได้ใช่ฉะนั้นทั้งหมดเหล่านี้ก็ก็ต้องเข้าใจว่าถ้าสารณะเข้าอยู่ในกระแสของความในกระแสของชีวิตราคาโทสะโมหะก็จะลด แล้วก็หมดไปตามสภาพของการเข้าถึงนั้นๆและตอนนี้ก็ลองตรวจสอบดูที่เราเข้าถึงได้ระดับไหนแล้วพอฟังอย่างนี้หลายคนเริ่มมั่นใจตัวเองอย่างมั่นใจหรือยังว่าเราจะไม่ตกจากสรณะแน่มั่นใจบ้างหรือยังว่าชีวิตเราเนี่ยอไม่ว่าฉันต้องบอกว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตหนึ่ง ขอถึงพระพุทธเจ้าว่าทมประสงค์จนกว่าจะมีอากาศภาพเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมีกายเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมีอายวะเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมีชีวิตเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมีภพเป็นที่สุดรอบตราบใดพบเป็นไปอยู่ชีวิตเป็นไปอยู่อายวะเป็นไปอยู่อัตภาพเป็นไปอยู่กายเป็นไปอยู่ตราบนั้นข้าพเจ้าจักไม่ให้สารณภาพไปจากกระแสชีวิตของข้าพเจ้าเลยได้ตั้งใจแบบนี้ไหมหรือไม่ได้คิดเลย อา้าวกลับไปบ้านเวลาไปเจอหน้าลูกจะคิดถึงสารณะก่อนหรือไปคิดจะบงการลูกก่อนฮะจะเอาสารณะไว้หรือจะบงการลูกเออให้สารณะอยู่ในใจก่อนแล้วให้สารณะนั่นแหละอยู่ในใจแล้วจึงค่อยบอกลูกมันจะเปลี่ยนได้นะพฤติกรรมจะเปลี่ยนถ้าเป็นพฤติกรรมเก่าห น, นี้เนี่ยอาบน้ำหรือยังเนี่ยเรานี่นี่นี่อาบล้วเดี๋ยวรอโทรศัพท์กิน ตอนโทรศาสกินตอนนั้นสจรณญาหายยังหายแล้วเห็นไม้มชีวิตก็ไม่เปลี่ยนเข้าวัดเมื่อไหร่ก็ไม่เปลี่ยนฟังธรรมเมื่อไหร่ก็ยังไม่เปลี่ยนอยู่นี่แหละพฤติกรรมก็ไม่เปลี่ยนมาเปลี่ยนตอนอยู่วัดนะ่ะดูหูสํารวมระวังจริงๆริงใส ย, ย่างนองขวาอย่างนองชัด <c oughs> <c oughs> พอกลับไปก็ขนเด้อพี่ขนเดิ ม, เ, ดมเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ ก็ตกจากสารณะเรื่อยๆถ้าถามบอกว่านี่คุณเป็นพุทธไหมดิฉันเน่ยพุทธร0อยเปอร์เซ็น้อยปซหวังว่าสารณะครั้งนี้คงจะเป็นพุทธแท้กันเนาะก็หวังว่าอย่างนั้นเอ้าเมืม่อกี้ตอบสังคังสารณะกันจ้าทีนี้ทีนี้กรณีที่เราที่บอกว่า ด้วยการทำให้สัตว์ทั้งหลายได้เฉพาะซึ่งผลอันไพบู์เพราะประสงค์เป็นทักษีนัยบุคคลที่ล้ำเลิศดอย่างยอดเยี่ยมบุคคลหวานพืชคือกุศละเจตนาไว้ในสงจึงมีผลอันไพบู์เป็นปัจจัยแก่การพ้นทุกได้จริงแต่ต้องหวานให้ถูกนะหวานให้ถูกฉะนั้นการหวานกุศลเจตนาลงในสงเนลงในสงเนะทั้งสังกมลทนนะ หวานลงในสงอย่างต่อเนื่องตั้งอัธยาสาัยที่ถูกต้องกุศลเจตนาเหล่านั้นเป็นปจัจจัยในการพ้นจากวัฏจุกได้จริงเพราะสงเนี่ย ย, ย, ย, ย, ยิ่งใหญ่ไหมยิ่งใหญ่มห่ยิ่งใหญ่ด้วยคุณสงนั้นมีศีลคุณสมาที่คุณปัญญาคุณวิมุติคุณวิมุติญาณทัศนคุณยิ่งใหญ่มากทีนี้ในขณะที่เราหวานเราหวานทักษิณายะลงในสงขอวานวานหวาน เกี่ยวกันในเรื่องของหวานพืชลงในในในสงแม้ด้วยวัตถุทานมีปริมาณน้อยทายกพูกให้นั้นย่อมได้รับผลนั้นภัยบุญที่ยกตัวอย่างแล้วไงว่าเออพระเจ้าอาดีตของพระเจ้ามหาสุทัศนะหวานพืชคือกุศลเจตนาไว้ในสงหนึ่งองค์แต่กุศลเจตนาของพระเจ้ามหาสุทัศนะในอดีตเบ็ดเสร็จ ที่สุดจริงๆทําให้ตนเองได้รับผลภายนอกอันภัยบุญคือราบสกาะสสละเสียงสรรเสริญยนยอเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิครองสิริราชสมบัติอยู 80, 000, 000, ่แปดหมื่นสี่พันปีแล้วไปได้สมาบัติอีกต่อมาพอทิ้งราชสมบัติเบีเศ็จเข้าไปบวชก็ได้สมาบาัติอยู่แปดหมื่นสี่พันปีแล้วต่อมาตนเองก็สวรรคตและผลที่ภัยบุญในการหว่านวัตถุเพียงน้อยนิดไว้ในสงนั้นน่ะ เป็นปัจจัยทําให้อดีตของพระเจ้าหมหาสัตย์ศานาได้เป็นพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าในปัจจุบันใครบุญไหมเหล่าใครบุญไหมไนี่ไงแต่เราจะหว่านเป็นเหมือนท่านไหมเนี่ยเออเราจะหว่านเหมือนท่านได้เป็นไหมเพราะการหว่านเนี่ยเราก็ไปทําถูกแบบหมดเลยนะรูปแบบถูกหมดเนะี่ยแต่สภาพใจไม่ถึงท่านน่ะเพรออสภาพความเข้าใจบุญมันมากเลยเนอะอยู่ตรงที่ ตรงที่สภาพจิตใจที่มีความรู้ความเข้าใจต่างกันใช่ไหมล่ะถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจในระดับนี้บุญกุศลมันก็จะได้ระดับตามความรู้ความเข้าใจ <c oughs> อันนี้ ก, อนนก็อันนี้ก็ต้องสังเกตดูนะว่ายากไหมบางทียากมหมอยถ้าพูดเรื่องสันนคมเนี่ยจริงจยากไหมอันนี้พูดโลกยียางไงถ้าพูดโลกุต ร, สระสันนคมหนักกว่านี้อีกนะเนี่ย <c oughs> อันนีพ้พูดพูดพื้นฐานการเข้าถึงเนี่ย รวมความแล้วตรงนี้ก็คือพุทธธรรมะสังฆะนี่เป็นศาสนาเพราะอะไรเพราะเบียดเบียนคือนําออกซึ่งภัยของสัตว์ทั้งหลายพุทธนํานําภัยของสัตว์ทั้งหลายออกได้ไหมธรรมะนำภัยของสัตว์ทั้งหลายออกได้ไหมสังฆะนํำภัยของสัตว์ทั้งหลายออกได้ไหมสัตว์ที่ยากจนเนี่ยหวานเมล็ดพืชพันเกี่ยวกับทานเจตนาลงในหมู่สงสัตว์นั้นจะหายจากความยากจนไหม จะ ต, ตั้งหลักถูกนอกจากการหายจากความยากจนแล้วยังหายจากราคาทุสำมหาด้วยจึงเป็นสารณะเป็นเครื่องกาจัดภัยทั้งภายในและภายนอกได้ด้วยทีนี้เออร์ในอดีตเราหวานมาแบบไม่ค่อยมีข้อมูลนี่สิกลับไปเราไปหวานใหม่นะได้นี่นะหวานลงในมู่สงให้เป็นให้มีข้อมูลให้ชัดผลจะได้ไพยัยพูนใครสงสัยอะไรถามเลยนะเนี่ยพระเอกใจไหมคนไทยเนี่ยให้ทานกันทบทั้งประเทศแต่คนจนทำไมมากกว่าคนรวย เคยสังเกตไหมก็นี่ไงก็ได้บ้านเรือนไทยอยู่ยใช่ไหมล่ะคือประเด็นมันอยู่ว่ารู้และเข้าใจที่เราถวายกุฏิถวายเดชสงเนี่ยเราถวายองค์ไหนถวายองค์ไหนแล้วเรารู้เราเรารู้จากความยิ่งใหญ่ของกุศลเจตนาทานไหมว่าตัวกุศลเจตนาทานเนี่ยให้ด้วยศรัทธาให้ยังไง มีความเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัยอย่างท่องแท้มั่นคงจิตใจนะั้นมีความปรารถนาอย่างแรงกล้ากระตุ้นเตือนคิดทีไรสมาธิตั้งมันปัญญาเกิดมีไหมข้อนี้นี่ข้อหนึง่งทีนี้เดี๋ยวดูต่อไปนะหนึ่งให้ได้ศรัทธานะี่ยลองดูสภาพจิตใจ ด, ดูเชื่อมั่นอย่างนั้นจริงไหมสองให้ด้วยความเคารพให้ด้วยความเคารพคําว่าให้ด้วยความเคารพนี่คือ สภาพจิตใจที่เป็นไปกับกุศลเจตนาอย่างมั่นคงนั่นแหละและในขณะเดียวกันก็เอากุศลเจตนาเหล่านั้นมาละลึกอย่างต่อเนื่องเลยไม่ใช่เอากุฏิมาละลึกนะเอากุศลเจตนาคือสภาพจิตที่คิดจะให้นั่นแหละเอามาละลึกอย่างต่อเนื่องเลยไม่เคยลืมกุศลเจตนาของตนเองเลยคิดเมื่อไรผ่องใสเมื่อนั้นคิดเมื่อไรปราปรื้อเมื่อนั้นคิดเมื่อไรก็สามารถจิตเป็นสมาธิได้เมื่อนั้น เคารพแบบนี้ไหมเหมือนเหมือนลูกเคารพคำสอนของพ่อแม่ไม่เคยลืมเลยที่พ่อแม่สั่งไว้อะและเราเคารพอย่างนั้นไหมนอบน้อมด้ดยกายไม่ได้วาจาด้วยใจไหมที่ข้อที่สองข้อที่สามที่ให้นั้นเน่เป็นการราทานไหมมันเหมาะสมแก่การแก่เวลาแก่สงที่ท่านจะได้ใช้สอยได้อย่างถูกต้องไหม เป็นของที่เหมาะแก่การเวลานั้นพอดีเช่นการแก่การที่ปัจการแก่การที่ตอนนี้ฝนก็ตกตอนนี้แดดก็ออกตอนนี้เหมาะแล้วที่สงจะได้อยูนะ่ให้คนในเรื่องการไหมถ้าให้โดยการถูกต้องไปเสร็จเนะมันได้อะไรตามการเลยเนะเช่นได้บรรลุตามการได้ทรัพย์ตามการได้อวัยวะสมบูรณ์ตามการได้ลาภยศสุขสเสริญตามการ เป้าหมายคือการบรรลุตามการนั่นแหละเหมือนเราทําไมไม่เป็นพระอัญญากุลัญญาพัญญากุทัญญากุลัญญาท่านการลาทานท่านเร็วมากท่านจึงได้บรรลุเป็นคนแรกในาศาสนาของพระพินเจ้าไงและเราทําไมไม่ได้เป็นพระสาวกองสุดท้ายสุภัททะปริภาชกที่ท่านพุทธเจ้านี่เพราะเราขาดการลาทานตรงนี้ใช่ไหมขาดการลศีนขาดการลาภาวนาใช่หรือไม่ใช่ไหมล่ะ ประการต่อมาคือการให้สละขาดไหมขาดไม่ขาดขาดไม่ยอมทั้งรวยก็ไม่ได้เปสนใหให้แล้วก็แล้วแต่ท่านเออมันไม่มันไม่ใช่แค่นั้นไงเออไอคนที่ไม่รู้เรื่องเวลามันให้อะไรมันก็ลืมนะมันก็ลืมเหมือนกันนะถามว่าเคยให้อะไรมาบ้างจําไม่ได้เลยเนี่ยอันนั้นก็ S <S ก็ น, นี่ไงมันนี่มันไอคำไอคว่าสลากขาดนี่นะคาว่าสละขาดนี่นะแปลว่าตัญหามันมันขาดตัวเองมันไม่ยึดติดสลากเลยไม่ใช่ให้ให้กุฏิอย่างเดียวนะแต่ตัวกิเลสที่ความหวงในทรัพย์มันถูกสลากไปด้วยและในขณะเดียวกันนะพอให้แก่สงปุ๊บเนี่ยสำคัญแท้เป็นของสงเลย เขาจะไม่เขียนชื่อไม่ต้องแล้วไม่ไ ม, ไม่ไม่เขียนไม่ต้องเขียนขนาดนั้นเลยนะเพราะสลาขาดจริงๆขาดด้วยปัญญาทีนี้เอา่เอานนั้นก็เรื่องของท่านไงทีนี้ต่อมาเวลาถวายไปเสร็จพอได้สักวันเดียวต่อมาเอา้าสมมุติสงก็เกิดที่ตรงนี้ที่ไม่หมอกอย่างนั้นเลยเอไฟเผาซะเลยกุติเนี่ยพอเห็นไฟเผากุติแล้ว ไปตีเกิดชื่นใจจริงๆเป็นอย่างนั้นไหมเพราะเราจะได้สร้างใหม่อีกครั้งอะไม่เป็นไม่เป็นไอ้นีนี่ไม่ได้สลาขาดไ ง, น, ง, ง น, นึกถึงผ้าเลยนึกถึงเงินแล้วถามว่านึกถึงผ้านึกว่าโอ้พะหล่อมาแล้วสวยดีเลยปลื้มใจใช่ไหมงั้นตรงนี้ก็คือฝ น, นตกว้าเริ่ๆเลย อใจคือตองนี้อยอมที่พยายามจะพูดเนี่ยไอ้คาว่าสลาขาดเนี่ยไอ้คาว่าสลาขาดนี่นะเ็คือเมื่อได้กระทำสิ่งนั้นแล้วไอ้สภาพจิตใจที่เป็นไปกับลาโมดปิติเนี่ยมันชัดด้วยแล้วก็ไม่มีการยึดโยงในสิ่งนั้นด้วยความว่าเป็นของเราเป็นของเราได้คิดแต่ในใจว่ากระแสชีวิตที่เกิดมาเนี่ย ได้บูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์ทำจิตโดยความเป็นอุบาสิกาของพระชินาเจ้าเด็ชัดแล้วแล้วเราจะทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปคีดเห็นอะไรเห็นตัวอะโลพะความไม่โลภในตนเด่นชัดเห็นตัวมัชฌิยในตนถูกสละไปเด่นชัดเห็นตัวปัญญาที่มีความรู้เข้าใจว่า ทรัพสมบัติทั้งหลายที่มีอยู่เป็นผลของบุญนี้ชัดเลยแล้วก็น้อมที่จะฝังบุญไว้ในศาสนาของพระชินเจ้าช่วงที่ลมหายใจยังมีอยู่อันนี้เข้าใจชัดเจนหนึ่งสละขาดแม้ของสิ่งนั้นจะพังไปต่อหน้าต่อตาก็ไม่เคยทำใจตัวเองให้สะดุ้งสะเทือนใดๆเลยเนี่ยถ้ารักษณงนี้ขาดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าให้โดยการไม่กระทบตนและบุคคลนี้ เวลาให้ปุ๊กก็มีความสึกว่านี่เราให้แม้คนอื่นน่ะทำไมไม่ให้กันเลยอันนี้กระทบเขาแล้วนะกระทบตนกับบุคคลอื่นแม้เราให้น้อยคนอื่นให้มากแม้เราให้ได้แค่นี้คนอื่นให้ได้อีกเท่านั้นการกระทบตนและบุคคลอื่นไม่มีก่อนให้ดีใจขนาดให้ก็เลื่อมใสให้แล้วก็ปลื้มใจอันนี้เป็นองค์คุณของการให้ที่มันชัดอันนี้ก็ การเข้าถึงสารณคมเยัยจะเป็นปัจจัยการให้ทานที่ชัดไอ้ตรงที่ยึดคือตรงนี้ไงตรงที่ยึดติดตรงที่ยอมบอกว่าเป็นของท่านเป็นของท่านแล้วยอมไม่ยอมไปดูแลนี่เล <c oughs> ยเข้าใจยังเนี่ยตรงนี้ยังไงแท้ที่จริงเน่ะเวลาพระบอกมาอย่างนั้นยอมต้องชื่นใจว่าเราจะได้ไปบูชาถวายสงฆ์อีกแล้วเ <c oughs> อ้าสรุปก่อนดีกว่านะตรงนี้ <c oughs> เดี๋ยวก็จะเกิดกลายเป็นเรื่องเยอะมากเลย <c oughs> คือประเด็นมันอย่างนี้นะเดี๋ยวยอมสารวยนะยอมสํารวยมีที่คิดถูกก็มีคิดไม่ถูกก็มีมันปนกันอยู่ทีนี้วิธีจะสาธาเนี่ยโหต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะเขาบอกจริงๆรที่ส่วนคิดถูกก็มีเยอะเลยนะเนี่ยไอ้ส่วนบางทีตเตลิดไปคิดผิดก็มียกตัวอย่างนะไอตอนคิดครั้งแรกคิดสลาเอาเป็นของสงตอนนั้นใจที่สารหลักฐานนะใช่แต่พอสงบอกว่าวังคามันรั่วนีเ่เรื่องของท่านเนี่ยนี่ไม่ใช่ไอตรง น, นี้ไม่ใช่ ไอ้ตรงนี้ไม่ใช่เพราะห่วงแล้วเนี่ยตอนนี้ห่วงแล้วแท้จริงมันไม่ใช่ของเราก็จริงอยู่เมื่อสงพูดอย่างนั้นก็มาไข้ควรตัวเราเองว่าเออเราพอที่จะบูชาสงได้เรามีทรัพย์อยู่นี่ก็ไปทาเลยนะจริงอยู่ไม่ใช่ของเราแต่ใช่ในฐานะอดีตและเราเคยสละแต่ตอนนี้เราเมื่อสงเดือดร้อนเนี่ยหลังคาลั่ว ใช่ไหมพพูดถึงหลังคาล่วเมื่อคืนฝนก็ลัวใล <c oughs> งใส่ใครเนี่ยตรงนี้ไอ้กรณีที่ว่าไปรู้สึกว่าหขัดเคืองเงิยทำไมมามีแต่เราแต่เราไอ้ตรงนี้ไม่ใช่แล้วไงดูแต่ละกรณีแต่ละสภาพจิตวิธีสังเกตนะอ้าวยอมต่อ